จเจริญพรท่านผู้สาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่าธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพระรหัที่สพฤศจิกายนพุทธศักราช2554เป็นวันพระวันธรรมสมวัสด วันฟังธรรมวันที่จะทำความดีทั้งหลายให้ปรากฏขึ้นมาภายในใจเพื่อใจจะได้กลายเป็นพระขึ้นมาการเป็นพระนี้อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายนั้นเป็นเพียงเครื่องมือของ ใ, ใจ ที่จะนุ่งขาวห่มขาวหรือนุ่งเหลืองห่มเหลืองนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นพระเสมอไปเพราะความเป็นพระในนิยามของพระพุทธศาสนาท่านแสดงไว้ว่าต้องเป็นสุปฏิปันโนยายังปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโน อุชุปฏิปนันโนนี่คือคุณสมบัติของความเป็นพระก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงและปฏิบัติเพื่อความหุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเพราะผู้ที่สามารถปฏิบัติทั้งสี่ประการนี้ได้ ใจิตใจจะเป็นใจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศ จ, จากความโลภความโกรธความหลงปราศ จ, จากความคิดร้ายอาฆาตพยาบาทเป็นผู้ตั้งอยู่ในความสงบทุกเวลาไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามีอะไรดีเกิดขึ้นก็ไม่ตื่นเต้นยินดี มีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็มไม่ตื่นเต้นวิตกเดือดร้อนแต่อย่างใดเพราะใจนั้นได้ทำลายความหลงให้หมดไปจากใจแล้วความหลงนี่เองที่ทำให้ใจนี้ไม่ดีทำให้ใจว้าวุ่นขุ่นมัว ทำให้ใจวิตกกังวลเดือดร้อนไปกับสิ่งต่างๆดีใจไปกับสิ่งต่างๆทั้งๆที่ใจนั้นไม่ได้ดีเรือเสียไปกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นเลยใจเป็นเหมือนกระจกเงากระจกเงานี้ก็เป็นกระจกเงาคือสะท้อนภาพที่มา ปรากฏอยู่ที่ในกระจกไม่ว่าจะเป็นภาพที่ดีหรือภาพที่ไม่ดีกระจกก็ไม่ได้ดีหรือไม่ดีตามไปกับภาพที่ปรากฏในกระจกฉันใดเหตุการ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาให้ใจได้สัมผัสรับรู้ไม่ว่าจะเป็นการเสื่อม ของลาบยศสารเสริญของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ได้เจริญหรือเสื่อมไปกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่เนื่องจากความหลงครอบงำจิตใจจึงทำให้ใจหลงคิดว่ามีส่วนได้เสียกับสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นมาให้ใจสัมผัสรับรู้เวลาที่ได้มาก็จะดีอกดีใจพอเวลาเสียไปก็จะเสียอกเสียใจเศร้าโศกกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าเสียดายในสิ่งที่เสียไปจากไปแต่หาหรู้ไม่ว่า ไม่มีอะไรใจก็อยู่อย่างมีความสุขได้เพราะความสุขของใจไม่ได้อยู่กับลาบยศเสริญและความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะแต่ความสุขของใจนี้อยู่ที่ความสงบเมื่อใจสงบแล้วก็จะมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขต่างๆทั้งหลาย ที่ได้จากราบยศสรรเสริญหรือจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะมีพระพุทธเจ้าพระองค์แรกที่ทรงสามารถรู้ความจริงอ น, นี้ได้รู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ให้ความสุขกับใจได้อย่างแท้จริงมีแต่ให้ความสุขเพียงเล็กน้อยแล้วก็แถมความทุกข์มาให้ อย่างมากมายไม่ว่าจะได้อะไรมาเวลาได้มาใหม่ๆ <c oughs> ก็จะมีความสุขใจแต่หลังจากนั้นแล้ว <c oughs> ก็จะต้องมีความทุกข์ใจต่างๆทุกที่เกิดจากความห่วงใยทุกที่เกิดจากความหวงทุกที่เกิดจากความวิตกกังวลว่าสิ่งที่ได้มา จะจากไปและทุกที่เกิดจากความเสีย อ, อกเสียใจเศร้าสศกเวลาที่สิ่งที่ได้มาต้องจากไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้เพราะธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นั้นท่านแสดงไว้ว่าไม่เที่ยงมีเจริญมีเสื่อมมีเกิมเกมดมีดับ ไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือข้าวของต่างๆไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรเสริญสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็เป็นเหมือนกันหมดมีมาแล้วก็มีไปแล้วก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครทั้งนั้น ไม่มีใครสามารถควบคุม บ, บังคับการมาและการไปของเขาได้ถ้าหลงยึดติดอยู่กับเขาเวลาเขามาก็ดีใจเวลาเขาไปก็เสียใจหรือถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบถ้าเขามาก็เสียใจถ้าเขาไปก็ดีใจเช่นน้าท่วม ไม่มีใครชอบน้ำท่วมเวลาเขามาก็เสียใจกันรอเวลาให้เขาไปเพื่อจะได้ดีใจแต่ความจริงใจนั้นไม่ได้เสียอะไรไปกับน้ำท่วมเลยเพราะสิ่งต่างๆที่เสียนั้นไม่ได้เป็นของใจอยู่แล้วเพียงแต่ใจไปหลงยึดติดว่าเป็นของใจใจนี้เวลามา สู่โลกนี้ก็มาตามลาพังไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาไม่ได้เอาลาบยศสรรเสริญสุขติดตัวมามาก็ได้มาได้ร่างกายแล้วก็มาได้ลาบยศสารเสริญสุขตามอานาจของบุญบารมีตามอำ น, นาจของความรู้ความสามารถของแต่ละคนแต่พอถึงเวลา ที่จะต้องจากโลกนี้ไปก็ไม่ได้เอาอะไรไปเลยของภายนอกนี้เอาไปไม่ได้สิ่งที่ใจสามารถเอาไปได้นั้นก็คือบุญและบาปหรือความสุขหรือความทุกใจถ้าใจยังหลงอยู่กับสิ่งต่างๆที่ได้รับมาในโลกนี้คือลาบยศสารเสริญ สุกทางตาหูจมูกนิ้งกายเวลาที่ต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าใจไม่หลงใจรู้ทันว่าลาบยกเสรเสริงสุดทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราสักวันหนึ่งจะต้องแยกทางกันไปก็จะไม่หลงยึดติด ก็จะไม่อยากให้อยู่กับใจไปตลอดใจพร้อมที่จะจากไปเมื่อถึงเวลาใจก็จะไม่มีความทุกขผู้ที่รู้ความจริงอันนี้เป็นคนแรกและรู้ได้ด้วยตนเองก็คือพระพุทธเจ้าที่พวกเรากราบว่าบูชาเลื่อมใสศรัทธา องค์เป็นผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความสุขและความทุกข์ของใจจนเข้าใจอย่างโจ่งแจ้งว่าความทุกข์และความสุขของใจนี้เกิดจากเหตุที่มีอยู่ภายในใจไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆภายนอกเช่นลาบ เ, ร ส, เสริรสุขทางตาหูจมูกมิ้นาย หรือบุคคลต่างๆถ้าใจไม่ไปหลงยึดติดไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจจะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะว่าใจหลงแล้วก็อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เริ่มงนั้นเรื่อง น, น, องนี้ให้เป็นไปตามความอยากของของใจพอเกิดความอยากแล้วใจก็จะ ไม่สงบใจจะกระเพื่องจะมีความวิตกกังวลตั้งแต่เริ่มที่มีความอยากพอมีความอยากก็วิตกกังวลว่าจะได้หรือไม่ได้พอได้มาแล้วก็มีความวิตกกังวลว่าจะจากไปเมื่อไหร่แล้วพอจากไปก็มีความเสีย อ, อกเสียใจ นี่เป็นเพราะว่าใจไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงแก่ใจไม่รู้ว่าในตัวของใจนี้มีความสุขที่เลิศที่วิเศษอยู่แล้วคือความสงบความสมบงบระงับจากความอยากต่างๆนี้เองถ้าสามารถระ ง, งับความอยากต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมาในใจได้ ใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขเพราะพุทธเจ้าจึงทรงทรงค้นพบเหตุที่จะทำให้ใจสงบที่จะทำให้ใจสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรก็คือการทำบุญให้ทานการรักษาศีลและการปฏิบัติธรรมนี้เองนี่เป็นเหตุที่จะละความอยาก น ง, งับความอยากต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมาเมื่อไม่มีความอยากแล้วใจก็จะสงบตัวลงความทุกข์ก็จะหายไปความสุขที่เลิศที่ประเสริฐก็จะปรากฏขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องมีสิ่งภายนอกมาให้ความสุขเลยไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมา ให้ความสุขพราเขาไม่ได้ให้ความสุขมีแต่จะให้ความทุกข์มากกว่าให้ความสุขเพราะพุทธเจ้าจึงทรง ม, มีความกล้าหาญที่จะสละาสลาภยศสารเสริญและสุขของพระราชโอรสเพื่อไปหาความสุขที่เกิดจากการระ ง, งับ ความอยากต่างๆด้วยการเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้แก่ผู้อื่นไปหมดเรียกว่าทานทำบุญให้ทานทำอย่างเต็มที่เลยตอนที่เสด็จออกจากพระราชวังนี้ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลยนอกจากเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วก็ม้าที่ขี่ออกไป แต่พอถึงถึงที่ที่จะเดินทางต่อไปพระองค์ก็ทรงสละมาไม่เอาไปด้วยทรงเดินไปและในระหว่างทางก็ได้พบกับขอทานขอทานเห็นพระองค์ใส่เสื้อผ้าที่สวยงามก็อยากได้ก็ขอแลกเปลี่ยนเสื้อผ้ากับพระองค์พระองค์ก็ทรงแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าของพระองค์ เอาเสื้อผ้าของขอทานมาใส่เอาเสื้อผ้าของพระให้แก่ขอทานไปนี่เป็นการทำทานชิ้นสุดท้ายที่พระองค์ได้ติดตัวออกจากพระราชวังไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนี่คือการทำทานอันยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่ปรารถนาความสุขอันยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่ปรารถนาความสิ้นสุด ของความทุกข์อย่างถาโวมต้องมีใจที่กล้าหาญที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสมบัติเข้าของเงินทองหรือบุคคลต่างๆพระพุทธเจ้าทรงสละพระราช า, าบิดาพระเม่เหีและพระราชกุมารบุคคลที่พระ อ, องค์ทรงรักและห่วงใย แต่เนื่องจากทรงเห็นว่าเป็นกองทุกข์ถ้าอยู่ก็จะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ต้องออกมาเพื่อที่จะได้มาปฏิบัติเพื่อที่จะทำใจให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แต่หลังจากที่ทรงได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แล้ว พระองค์ก็ทรงกลับไปโปรดพระราชบิดาพระมเหสีพระราชโอรสและพระญาติทั้งหลายทำให้ท่านเหล่านั้นเกิดศรัทธาได้ออกบวชตามและได้พบกับความหลุดพ้นจากความทุกข์และได้พบกับความสุขอันประเสรฐเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการที่พระองค์ทรงเสด็จออกไปเพื่อปฏิบัติตามลำพังนี้ไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวแต่อย่างใดซึ่งทางโลกนั้นอาจจะคิดว่าเป็นการเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดเพียงคนเดียวแต่เนื่องจากการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี้จำเป็นต้องไปอยู่คนเดียวต้องไปอยู่ในที่สงบ สำหรับห่างไกลจากลาบยศสรรเสริญห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่จะคอยดึงให้จิตใจของพระ อ, องค์นั้นต้องกลับเข้าไปอยู่ในกล่องทุกข์ผู้บวชที่ต้องการปรารถนาความหลุดพ้นส่วนใหญ่จะต้องหนีไปอยู่ที่ไกลๆอยู่ไกลจากบุคคลที่เคยรู้จัก พราะถ้าอยู่ใกล้เขาจะมาเยี่ยมแล้วก็จะทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆเวลาที่เขามาเยี่ยมก็จะดี อ, อกดีใจเวลาเขากลับไปก็จะเศร้าหมองจะมีความรู้สึกงอยเหงาจะทำให้การปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นนี้เป็นไปได้อย่างยากลาบากดังนั้นผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ ผู้ปรารถนาความสุขอันเลิศพันประเสริฐจึงจำเป็นจะต้องหนีไปไกลๆที่ไม่มีใครสามารถตามไปได้เมื่อได้ไปอยู่ในที่อย่างนั้นแล้วใจจะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อนที่เอื้อเฟื้อต่อการสร้างความสงบให้แก่ใจเอื้อเฟื้อต่อการระงับดับความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจได้ดังนั้นการออกบวชนนะจึงไม่ได้ถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวเพราะว่าเป็นเหมือนกับการไปรักษาใจเหมือนกับการไปรักษาร่างกายเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปอยู่โรงพยาบาลรักษาไม่มีใครว่าเห็นแก่ตัวเพราะว่าจำเป็นจะต้องรักษา ร่างกายให้หายเป็นปกติก่อนก่อนที่จะกลับมาทำประโยชน์ต่างๆให้แก่ตนเองและแก่ผู้อื่นได้ฉนันใดการออกบวชของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวแต่อย่างใดแต่ไปเพื่อรักษาใจที่ถูกความทุกข์ลุ่มเล้าขมเข็งดังแกอยู่ทุกเวลานาที ให้หมดไปจากใจแต่หลังจากที่พระ อ, องค์ได้ทรงค้นพบวิธีที่จะดับความทุกข์ทั้งหลายและได้ปฏิบัติจนดับความทุกข์ทั้งหลายได้หมดแล้วพระ อ, องค์ก็กลับมาสู่สังคมกลับมาโปรดสัตว์มาสั่งสอนสัตว์โลกเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ตามพระ อ, องค์ไป ภกิจของพระพุทธเจ้าจึงอยู่ที่การสั่งสอนเท่านั้นพระองค์มีพุทธมีกิจอยู่5ประการในในแต่ละวันเรียกว่าพุทธกิจหจะเกี่ยวข้องกับการอบรมสั่งสอนศัทธาสัตว์ตตโลกให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทท้งนั้นเช่นตอนบ่ายพระองค์จะทรงสั่งสอน ญาติโยมคารวาดญาติโยมตอนค่าจะสั่งสอนพระภิกษุสา ม, มเณรตอนดึกจะสั่งสอนเทวดาตอนเช้าก่อนจะออกอตอนเช้าก่อนจะออกบินทบาทรงเดินยานว่าวันนี้จะไปโปรดใครใครที่มีความพร้อมที่จะรับพระธรรมคำสอนของพระองค์ได้ พร้อมที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้พระองค์ก็จะทรงไปโปรดอีกคนนั้นก่อนแล้วก็ออกบินฑบาาเลี้ยงชีพโปรดสัตว์ให้สัตว์ได้มีโอกาสมีโอกาสได้ทำบุญให้ทานนี่เป็นภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติตั้งแต่หลังจากที่พระองค์ได้ทรงตัดสรุ หลังจากที่ได้ประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน8ที่เราเรียกว่าวันอาสาหาบูชาพระองค์ทรงปฏิบัติภารกิจอย่างนี้ตลอดระยะเวลา45หปีด้วยกันจนถึงววละที่พระองค์จะต้องเสด็จละขันเข้าสู่พระนิพพานไปไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวเลย เป็นการทำประโยชน์ให้โลกได้อย่างมากมายมหาศาลยิ่งกว่าใครทั้งหมดในโลกนี้ที่จะทำได้เพราะว่าสิ่งที่พระองค์ทำนี้มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวและเป็นคุณเป็นประโยชน์ที่ถาวรไม่เหมือนกับการช่วยเหลือของพวกเราที่ คอยช่วยเหลือกันเช่น ย, ยามที่มีภาวะน้ำท่วมพวกเราก็เอาข้าวของสิ่งของเงินทองไปช่วยเหลือกันก็คลายความทุกข์ได้ชั่วคราวแต่ตราบใดที่ยังมีร่างกายอยู่และตราบใดที่ยังมีภัยพิบั ต, ติต่างๆอยู่เดี๋ยวก็ต้องเกิดปัญหาเกิดความเดือดร้อนเกิดความทุกข์ใหม่ขึ้นมาอีก ก็ต้องช่วยกันไปไม่มีวันจบสิ้นพวกที่ตายไปก็หมดปัญหาไปแต่พวกที่มาเกิดใหม่ก็ต้องมีปัญหาที่จะต้องคอยดูแลกันไปแต่ถ้าช่วยเรื่องของจิตใจแล้วจะหมดปัญหาไปเลยเพราะหนึ่งใจนี้จะไม่สะทกสะทานไม่เดือดร้อนกับภัยต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติทางน้ำทางดินทางลมหรือทางไฟหรือว่าภัยที่เกิดจากความไม่เสื่อมของสังขารร่างกายเช่นความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายสำหรับใจของผู้ที่บริสุดนี้ไม่มีความอยากต่างๆนี้จะไม่มีความทุกข์กับภัยต่างๆเหล่านี้ ใจพร้อมที่จะรับรู้ได้อย่างไม่สะทกสะทานเพราะใจรู้ว่าเป็นเพียงผู้ดูเท่านั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการ์เหมือนนั่งดูภา พ, พยนตร์ไม่ได้อยู่ในจอภา พ, พยนตร์ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในจอภา พ, พยนตร์มันไม่ได้มากระทบกระเทือนกับคนที่ที่ดูเลยฉันใดใจก็เช่นนั้น ใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้ไปไม่ได้เป็นเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ต่างๆเหมือนร่างกายอยู่เพียงแต่รับข้อมูลจากร่างกายเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่ร่างกายรับแล้วก็ส่งไปให้ใจรับรู้เท่านั้นพอรู้ความจริงอย่างนี้แล้วใจก็ไม่เดือดร้อนไม่หวั่นไหวนี่คือประโยชน์ที่ได้รับ จากธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าและประโยชน์อีกอันหนึ่งที่ได้รับก็คือใจจะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่จะไม่ต้องมามีร่างกายที่จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายและมาสู้กับภัยต่างๆสู้กับความทุกข์ยากลำบากต่างๆนี่แหละคือประโยชน์อันเลิศอันประเสริฐ เป็นประโยชน์ที่แท้จริงและเป็นประโยชน์ที่ถาวรใจไม่ต้องเดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆอีกต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาปรมังสุขขังเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานก็คือจิตที่บริสุทธินี้เรียกว่านิพพานนิพพานนี้ เป็นที่มีแต่ความสุขเป็นความสุขที่ไม่เสือ่อมและไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่และกา ร, รกความประเสดของของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่เป็นพระอย่างแท้จริงต้องเป็นพระแบบพระพุทธเจ้าคือเป็นผู้ที่มุ่งมั่นปฏิบัติ ต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้บวชเพื่อเหตุผลอย่างอื่น mm hmm. เช่นราบศักกาวะต่างๆหรือ mm hmm. เพื่อที่จะได้มีฤทธิ์มีเดชมีวาสนามีบารณีแต่ปฏิบัติเพื่อปลดเปลื้องความทุกข์ให้หมดไปจากใจ ด้วยการระงับความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเพราะเพราะว่าเมื่อจิตใจได้ระงับความอยากแล้วการกระทำต่างๆจะไม่เป็นโทษกับใครเลยถ้าอาตาบใดยังมีความอยากอยู่ในใจการกระทำนี้จะไม่บริสุทธิ์จะมี ความต้องการผลตอบแทนแฝงอยู่เสมอถึงแม้ว่าจะแสดงอาการด้วยความเมตตากรุณาก็ตามแต่ทำไปด้วยความอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งจากผู้ที่ได้รับความเมตตากรุณาแต่สำหรับผู้ที่มีจิตใจบริสุทธินี้ทำไปโดยไม่ได้ต้องการผลตอบแทนเลยแม้แต่ อย่างเดียวแม้แต่คำว่าขอบคุณหรือความสำนึกในบุญคุณก็ไม่ได้มีความปาถนาแต่อย่างใดอยู่ที่บุคคลที่ได้รับประโยชน์นั้นซึ่งถ้าได้รับประโยชน์ที่แท้จริงแล้วก็จะเป็นบุคคลที่จะมีความกระตันยูเสนอเช่นพระอริยสงสาวกทั้งหลายหลังจากที่ท่านได้ตัดสรูแล้ว ได้รับประโยชน์แล้วจะลำลึกถึงะคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอแนะ่จะทรงตอบแทนทกุณด้วยการปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ต่อไปคือปฏิบัติคือคือสั่งสอนอบรมให้แก่ผู้ที่มีจิตศรัทธาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้รู้จากวิธีและปฏิบัติให้หลุดพ้นได้ โดยไม่ได้เรียกร้องท่าตอบแทนอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนี่แหละคือความเป็นพระที่แท้จริงเป็นภาะที่มีแต่ความเมตตากรุณาไม่มีความต้องการอะไรจากใครทั้งนั้นสงเคราะห์โลกเพียงอย่างเดียวเพราะตนนั้นไม่มีความจำเป็นจะต้องสองเคราะห์อีกแล้วไม่ว่าจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไร คุณค่าของสิ่งต่างๆที่ได้มาก็ไม่ดีเท่ากับคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในใจอยู่แล้วก็คือนิพพานังปรมังสุขขังอันนี้นั่นเองนี่แหละคือพระที่แท้จริงพระที่เรากล่าบไหว้บูชากันก็คือพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปิปันโนอุชุยายะสามีจิปิปันโน ซึ่งเป็นได้ทั้งนักบวชและคาวรวาเป็นได้ทั้งหญิงและชายเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพศวัยต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เป็นพระอริยะขึ้นมาแต่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ต่างหากที่เป็นดังนั้นก็ขอให้พวกเราโยงมาสร้างความเป็นพระ ของเราให้เกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทำบุญอยู่เสมอให้ละบาปและให้ชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ในวันพระนี้เป็นตัวอย่างแต่ควรจะทำให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะทำเพียงวันเดียวนี้ อย่างสู้กิเลสสู้ตัณหาความอยากไม่ได้เพราะกิเลสตัณหาเขาทำเจ็ดวันและทำยี่บสี่ชั่วโมงยกเว้นเวลาที่นอนหลับเท่านั้นแต่เรามาทำเพียงวันพระเพียงวันเดียวและทำไม่กี่ชั่วโมงนี้ยังถือว่าไม่พอแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นจุดที่จะพาให้เราไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มที่ต่อไป จึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างพระขึ้นมาภายในใจในวันพระนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงและการหลุดพ้นที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัดใจให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค็งแกร่าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ